มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตทวักชัตทันตะโชติปาละอาระพะปัญหาที่หา้าถามว่าเมื่อชาติพระพุทธองค์เป็นพระยาชัตทันเคารพผ้ากาสาวพัด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 เมื่อพระตถ า, าคตเสวยพระชาติเป็นพระยาคตฉสานชื่อว่าฉัตรทันนั้นยังมีพรานคนหนึ่งเห็นพระยาฉัตรทันนั้นกับบริวานนมัสาการพระสมณะนุ่งห่มกาสาวพัทโดยเคารพนับถือยิ่งนักหนาพรานป่านั้นจึงเอาผ้ากาสาวพัทยอมฝาดนุ่งห่มเข้าแล้วก็ป้อมเป็นสมณะนั่งอยู่ที่ร่มไม้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 มีจิตเคารพกาสาวะพัทคำภายหลังตรัสว่ากล่าวคำหยาบช้าในพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำไมสมเด็จพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงกาสาวะพัททงชัยพระอรหันตหรือพระภู ธ, ธิสัตว์จึงไม่เคารพยาเกรงต่อผ้ากาสาวะพักลับบริพาทหยาบช้านี่แหละจะถือเอาถ้อยคำภายหลัง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 โชติปาละมานพนั้นเป็นมิจรสหายกับช่างหม้อฝ่ายช่างหม้อเป็นสัมมาทิฐิจึงชวนโชติปาละมานพว่าเราจะพาท่านไปสู่สำนักสมเด็จพระพุท ธ, ธกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโชติปาละมานพจึงว่าดูกระสหายท่านจะพาเราไปสู่สำนักสมณะศีรษะโล้นธุระทำบนอะไรจงบอกให้รู้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 ครั้นนานมาปัญญาแก่กล้าพิจารณาเห็นพระพุทธคุณของพระกัสสปะเจ้าก็มีเมตตาจิตรักใคร่เข้าไปขอบรรพชาในสำนักสมเด็จพระมาหากรุณากัสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงพระอนุเคราะห์ประธานบรรพชาให้ชินสาสาเนปรัชิตวาครั้นโชติปาละมานพ น, นพุทธังกูนัน บรรพชาเข้าในพระบวรพุทธศาสนามีอุตสาหะเล่าเรียนพระกรรมฐานไปมิได้นานก็ได้ฌานอภิญญาครั้นกระทากาและกิริยาแล้วก็ได้อุปัชนาการบังเกิดในพรมโลกนี่แหละพอพิษพระราชสมภารอันองค์พระบรมโพธิสัตว์เจ้าแล้วจะเกิดในชาติอันใดที่ว่าจะไม่เคารพในพระพุทธคุณ